จเจริญพรท่านผู้สนใ จ, จเจริญภาวนาทุกท่านคราวนี้จะได้พูดต่อในหัวข้อเรื่องการใช้อานาปานสติโยงเข้าสู่สติปัฏฐานสี่ซึ่งได้พูดค้างไว้ในคราวก่อนทีนี้คราวที่แล้วนี้ได้พูดมาถึงลำดับการปฏิบัติในการ จเจริญอานาปานสติส6บหขั้นแล้วก็พูดค้างไว้ในตอนว่าด้วยกายานุปัสสนาคือหมดที่หนึ่งซึ่งมีสี่ขั้นและในตอนที่ว่าด้วยกายานุปัสสนาสี่ขั้นนี้ก็ได้พูดถึงผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นว่าเมื่อมากำหนดลมหายใจก็ ยังต้องการวิธีของสมถะแล้วก็เราก็ได้พูดถึงการใช้เทคนิคในการเจริญสมถะมาช่วยได้แก่การนับหรือการพูดในใจที่เราพูดกันว่าคำบริกรรมเช่นว่าพุโทโธเป็นต้นเอามากำกับการกำหนดลมหายใจนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่า จะช่วยในเรื่องสมาธิก็เลยเหมือนกับว่าเอาเรื่องแทรกเข้ามาแล้วก็ใช้เวลาหมดไปกับเรื่องแทรกนั้นพอสมควรครา น, นี้ก็จะได้มาพูดในเรื่องของการปฏิบัติสิบหกขั้นนี้ต่อไปโดยที่ว่าก็จะพูดในหัวข้อของหวดกายานุปัสสนานั่นเอง โดยพูดในสี่ขั้นต้นก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งกายานุปัสนาสี่ขั้นต้นนั้นขั้นที่หนึ่งก็คือหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว หายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นอันนี้เป็นสองขั้นต้นสองขั้นต้นนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการกําหนดรู้ลมหายใจโดยตรงแล้วก็เป็นการรู้ตามที่ลมหายใจไั้นปรากฏยังไม่มีการฝึกหรือบารการบังคับให้เป็นไปทีนี้ต่อไปในขั้นที่สาม จะมีการกำหนดที่ขยายกว้างออกไปคือตอนนี้เริ่มที่จะขยายวงกำหนดจากลมหายใจออกไปถึงร่างกายทั้งหมดแล้วก็แม้แต่ลมหายใจเองก็ไม่ใช่กำหนดอยู่เฉพาะอาการที่หายใจยาวหายใจสั้นแต่ว่าให้รู้ถึงกองลมหายใจทั้งหมด อันนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นที่สามซึ่งมีวิธีปฏิบัติตามที่ท่านวางไว้ว่าศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจออกอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติ ที่ว่าจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่ากายคือเวลาที่หายใจเข้าออกนั้นให้มีความรู้ชัดตลอดทั้งกายของตนเองทีนี้คาว่ารู้ชัดกายทั้งหมดเนี่ยก็มีความหมายที่ครุมอยู่สองอย่างด้วยกันคือกายที่เป็นส่วนย่อยกับกายที่เป็นส่วนใหญ่หรือส่วนรวมซึ่งคราวที่แล้วก็ได้พูดไปแล้ว กายที่เป็นส่วนย่อยก็คือกองลมหายใจเราถือว่าลมหายใจนั้นเป็นกายส่วนหนึ่งแล้วก็บกายที่เป็นส่วนรวมก็คือร่างกายทั้งหมดนี้กายส่วนย่อยนั้นก็รวมอยู่ในกายส่วนใหญ่นี้เมื่อหายใจเข้าออกโดยที่ว่าให้สมเนียกว่าจะรู้ทั่วกายทั้งหมดไปด้วยทุกครั้งที่หายใจนั้นในแง่ของ ลมหายใจคือเป็นกายเล็กหรือ ก, กายย่อยก็ให้รู้หมดคือให้มีสติสัพชัญญะรู้ตัวทั่พร้อมรู้ชัดถึงลมหายใจของตนเองที่มีสภาพเป็นอย่างไรคือลมหายใจของตนเองนั้นยาวสั้นอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรก็รู้ชัดทั้งหมดแม้แต่ว่า ลมหายใจนั้นมีจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนแล้วก็จุดท่ามกลางผ่านตรงไหนไปจบสิ้นอยู่ที่ใดก็รู้หมดหรือว่าถ้ามีอาการพองอาการแฟบในส่วนไหนของร่างกายในเวลาหายใจก็รู้หมดอันนี้ก็เป็นการที่ว่าขยายการรู้ตัวนั้นให้กว้างให้หมดทีเดียว คือเท่าที่เกี่ยวข้องกับการหายใจนั้นทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าในส่วนของกายย่อยคือกลองลมหายใจนั้นก็รู้ทั่วทั้งหมดทีนี้ในส่วนกายใหญ่คือร่างกายทั้งหมดก็รู้ชัดเช่นเดียวกันรู้ชัดกายทั้งหมดของตนสภาพที่ตนนั่งกำหนดลมหายใจอยู่นั้นทั้งตัวของร่างกายนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร วางมือวางเท้าอย่างไรอาการทั้งหมดของร่างกายนั้นก็รู้ชัดอยู่ในใจอยู่ในสติสัมปชัญญะแม้แต่ว่าคำว่ากายนี้ก็จะขยายไปได้ถึงนามากายด้วยคือร่างกายของเรานี่ปกติก็หมายถึงรู ป, ปกาย แต่ในความหมายที่กว้างนั้นคาว่ากายขยายไปถึงนามากายคือสภาพจิตใจทั้งหมดด้วยถ้าหากว่าขยายไปถึงนามากายก็หมายความว่ารู้สภาพของตนเองทั้งหมดทั้งร่างกายและจิตใจในขณะนั้นร่างกายเป็นอย่างไรอยู่ในอาการอย่างไรท่าทางอย่างไรจิตใจมีสภาพเป็นอย่างไรรู้หมด นี่ก็คือการรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างครอบคลุมในเวลาที่หายใจเข้าออกนั้นทุกขณะที่หายใจเข้าออกมีความรู้ชัดในกายของตนเองทั้งหมดนี้นี่เป็นการปฏิบัติในขั้นที่สามแล้วนอกจากนั้นก็ยังขยายความไปอีกว่าถ้าสามารถก็ให้มีความรู้ชัดไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายย่อยกับกายใหญ่ หรือกายลมหายใจกับกายส่วนรวมทั้งหมดทั้งตัวด้วยคือมีความตระหนักชัดอยู่ในการหายใจนั้นว่าเมื่อหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นมีผลต่อสภาพร่างกายอย่างไรแล้วก็ตลอดไปจน ก, กระทั่งถึงว่าผลต่อสภาพจิตใจด้วยคือเป็นความสัมพันธ์ในการปรุงแต่งกันของกาย ทั้งกายใหญ่และกายย่อยมีที่ผลต่อกันอย่างไรมีความรู้ชัดซึ่งอันนี้ก็ได้พูดไปในครั้งก่อนแล้วอันนั้นเป็นการที่รู้เข้าใจโดยที่ว่ามาแจกแจงไวเมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงให้เป็นความรู้ในสภาพที่เป็นจริงในขณะนั้นๆจะเห็นว่าความหมายในการปฏิบัติคั้นนี้นั้นกว้างขวางมากาหากว่าในขณะที่กาหนดลมหายใจนั้น ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็มีความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้อยู่มีความรู้ทั่วกายทั้งหมดอย่างนี้อันนี้ก็เข้าในความหมายของข้อปฏิบัติในขั้นที่สามนี่เป็นการปฏิบัติในขั้นที่เรียกว่ามีครรมว่าศึกษาอยู่ด้วยคือมีการฝึกหัดก็แสดงว่ามีการพยายามพยายามที่จะขยายการรับรู้หรือการที่ จะรู้ตัวทท่วพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุดทีนี้ก็ขอต่อไปในขั้นที่สี่ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของขั้นกายานุปัสสนาข้อปฏิบัติก็บอกว่าศึกษาว่าจาักผ่อนระงรับกายสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจาักผ่อนระงรับกายสังขารหายใจออก คำว่าผ่อนละงับกายยสังขารกายยสังขารได้พูดกันมาแล้วว่าได้แก่ลมหายใจที่ปรุงแต่งร่างกายเพราะฉะนั้นที่ว่าผ่อนระงับกายยสังขารก็คือผ่อนระงับลมหายใจนั่นเองที่ว่าผ่อนละงับนี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นกลั้นลมหายใจการปฏิบัติในพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นที่จริงนั้นการปฏิบัติในขั้นนี้ก็เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องมาจากขั้นที่สามนั่นเอง คือในขั้นที่สามนั้นเราได้รู้ได้เห็นมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายทั้งหมดคือกายรวมกับลมหายใจที่เป็นกายย่อยที่มีอิทธิพลต่อ ก, กันตลอดจนกระทั่งถึงสภาพจิตใจด้วยเช่นอย่างที่พูดมาแล้วว่าเวลาคนเหนื่อยมาลมหายใจก็จะหยาบแรง่งถ้าหากว่ามีความสงบ ร่างกายได้พักมีกิจกรรมน้อยยิ่งมีจิตใจที่สบายมีจิตใจที่ผ่องใสลมหายใจก็จะละเอียดละนิดมากเราเข้าใจถึงสภาพความสาัมพันธ์นันตแล้วทีนี้ตอนนี้เรามาตั้งใจทำให้เกิดสภาพอย่างนั้นขึ้นในข้อก่อนนั้นเราสังเกตเรารู้ถึงผลที่มีต่อกัน แต่มาถึงขั้นที่สี่นี้เราควบคุมบังคับให้สภาพที่เราต้องการได้เกิดขึ้นนี่หมเมื่อเราทราบอยู่แล้วว่าสภาพที่ลมหายใจละเอียดอ่อนเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตทำให้ร่างกายก็สบายทำให้จิตใจก็สบายเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอา การที่จะทำลมหายใจนี้ให้ละเอียดอ่อนนี่ก็คือการที่ว่าเราผ่อนและงับาจสังขารก็คือทำลมหายใจให้ละเอียดอ่อนประณีตและตอนนี้เราได้ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วการที่ทำลมหายใจให้ละเอียดอ่อนนั้นก็ทำไม่ยากเพราะมีความโน้มเอียงที่จะเป็นอยู่แล้วเนื่องจากการปฏิบัตินั้นทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้น เมื่อจิตใจสงบมากขึ้นลมหายใจก็ละเอียดลงไปอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัตินั่นเองมาปฏิบัติต่อตนเองในการที่บังคับลมหายใจก็คือทําลมหายใจนี้ให้ละเอียดอ่อนลงไปซึ่งอาจจะบังคับโดยวิธีที่ว่าทําจิตให้สงบลงไปเมื่อทําจิตให้สงบลงไปลมหายใจก็สงบละเอียดอ่อนลงไปด้วย คือใช้วิธีของลมหายใจนั่นเองทำให้ลมหายใจละเอียดอ่อนขึ้นเหมือนอย่างที่ว่าได้ยกตัวอย่างตอนก่อนว่าคนที่เหน็ดเหนื่อยมาเหนื่อยหอบแล้วเขาก็ต้องหายใจแรงๆหายใจหยาบมากเราก็ช่วยโดยวิธีที่ว่าให้ผ่อนลมหายใจยาวๆแล้วก็จะช่วยให้ความเหน็ดเหนื่อยนั้นวันเทาลงไป อันนี้เราใช้ในกรณีที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นก็เหมือนกันเมื่อใช้ในกรณีที่หยาบได้กรณีที่ละเอียดอ่อนเมื่อฝึกไปนี้ก็มีความประณีตมีความชํานาญขึ้นก็สามารถวันใช้กา ร, ารบังคับก็ไปอันว่าในขั้นที่สี่นี้ก็พอดระงับลมหายใจที่เรียกว่ากายจะสังขารนั้นทําให้ละเอียดอ่อนขึ้นให้เป็นไปได้ตามความต้องการนี่ก็ฝึกในเรื่องนี้ให้มีความชํานาญ ซึ่งมันก็จะมีผลดีในขั้นที่เกี่ยวกับร่างกายและก็ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจด้วยในขั้นต้นๆ น, นี่ก็เป็นการปฏิบัติในระดับที่เรียกว่ากายานุปัสสนาเป็นหมวดที่หนึ่งเมื่อเข้าใจหลักการอย่างนี้ก็ขอผ่านไปสู่หมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏ ซึ่งก็มีสี่ขั้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะขอให้ดูลาดับขั้นของการปฏิบัติก่อนเราก็เริ่มเวทนานุัสนาสิปทานด้วยขั้นที่หคือศึกษาว่าจักรู้ชัดปีติหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดปีติหายใจออกต่อไปเลยขั้นที่6กก็ว่าศึกษาว่าจักรู้ชัดสุขหายใจเข้า จักรู้ชัดสุขศึกษาว่าจักรู้ชัดสุขใหายใจออกแล้วก็ไปขั้นที่เจศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตจสังขารห้ใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตจสังขารห้ใจออกแล้วก็ข้อแปดซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในหมดนี้ว่าศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตจสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตจสังขารห้ใจออก อันนี้ก็เริ่มได้ขั้นที่ห้ากับขั้นที่หกก็เป็นเรื่องของการรู้ชัดปีติและสุขซึ่งได้พูดถึงความหมายมาแล้วว่าปีติเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรและสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรสภาพของปีติและสุขนี่มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติก้าวหน้าไปนี้เองคือเมื่อ การปฏิบัติตามหลักอานาปาณสติก้าวหน้ามากขึ้นเรากาหนดลมหายใจได้ดีมีความชัดเจนแล้วก็ทำให้เกิดผลต่อสภาพร่างกายที่ดีเมื่อปฏิบัติก้าวหน้าไปเกิดความสาเร็จและได้รับผลดีอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาที่ว่าเราจะยิ่งมีฉันทะในการปฏิบัติเมื่อมีฉันทะในการปฏิบัติและปฏิบัติได้ก้าวหน้าสมดังฉันทะนั้น นั่นก็คือการได้สิ่งที่ต้องการเมื่อได้อารมณ์ที่ต้องการก็เป็นธรรมดาว่าปิติจะเกิดขึ้นปิติความอิ่มใจหรือพลื้มใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมตามมาด้วยความสุขอันนี้แหละก็เท่ากับ ว, ว่าเรามีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาตามลําดับการปฏิบัติที่จะเป็นตัวกําหนดตัวที่จะเป็นวัตถุให้เราพิจรารณาถ้าหากว่าเราปฏิบัติ ในเชิงว่าสมาธิได้สําเร็จผลในการกําหนดลมหายใจนั้นการปฏิบัติที่ตอนนี้อาจจะได้ฌานแล้วก็ได้เมื่อได้ฌานแล้วปิติสุขก็เกิดขึ้นในฌานในฐานะพิเภกองค์ฌานนั้นก็ไป็นอนว่ า, าในขั้นนี้เราอาจจะได้ปิติและสุขนั้นมาจากการได้ฌานหรือถ้ามิฉะนั้นก็ได้จากการปฏิบัติเท่าที่เราได้ประสบความก้าวหน้านี้เอง เมื่อเราได้มีปีติและความสุขแล้วโดยเฉพาะปีติเป็นตัวนําเนี่ยเราก็เลื่อนมามากําหนดตัวปีติและความสุขนี้แหละเป็นจุดพิจนารณาต่อไปตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนอารมณ์การเปลี่ยนอารมณ์จากการที่ผ่อนระ ง, งับกายสังขารซึ่งว่าผ่อนระ ง, งับเพียงแต่ว่าผ่อนระ ง, งับกายสังขารได้ประสบความสําเร็จนี้ตัวปีติก็เกิดขึ้นได้แล้วพอปีติเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนจุด ที่กาหนดก็คือการที่เปลี่ยนมาสู่เวทนานุปัสนาด้วยเพราะว่าปิติและสุขจัดเข้าในเวทนาก็มารู้ชัดเวทนาก็เริ่มด้วยรู้ชัดปิติก่อนเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดลมหายใจเข้าออกคือหายใจเข้าออกโดยทุกครั้งนี้มีความรู้ชัด เวทนาที่เป็นปีตินั้นด้วยหายใจเข้าออกพร้อมทั้งรู้ชัดและสวยปีติสุขที่ตนมีอยู่แล้วก็มีความรู้สนิทแนบแน่นชัดเจนจนกระทั่งชำนาญก็มันฝึกอย่างนี้บ่อยๆอยู่เสมอๆจนกระทั่งมีความจักเจนอันนี้ก็ทําไปตามลําดับอย่างที่กล่าวแล้วก็คือว่าพอ หายใจเข้าออกโดยรู้ชัดปีติและเสร็จแล้วก็หายใจเข้าออกโดยรู้ชัดความสุขอันนี้ก็ให้ปีติและความสุขนี้มีอยู่ปรากฏอยู่ในใจเขาตนเองตลอดทุกเวลาทุกครั้งที่หายใจเข้าออกทำจรงกระทั่งมีความชำนาญซึ่งในขณะที่เป็นอย่างนั้นก็ย่อมมีจิตที่ดีงามที่เกื้อกูลเพราะว่าเป็นฝ่ายของกุศลเป็นความสุข ต่อจากนั้นก็ก้าวไปสู่การปฏิบัติขั้นที่7หรือขั้นที่สมในหมวดที่2เวทนานุปัสสนานี้ศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตจสังขารให้ใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตจสังขารให้ใจออกก็จิตจสังขารก็ได้อธิบายไปแล้วว่าก็ได้แก่เวทนาและสัญญาซึ่งในที่นี้หมายถึงเวทนาและเวทนาในที่นี้ก็คือปีติและความสุขซึ่งเป็น เวทนาในฝ่ายดีในฝ่ายที่สบายไม่ใช่ฝ่ายทุกข์การที่ว่ารู้ชัดจิตจสังขารในที่นี้ก็คือรู้ชัดถึงสภาพความเป็นไปของมันปิติสุขนี้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วทำให้เกิดอาการอย่างไรบ้างมันมีสภาพเป็นอย่างไรเช่น ว, ว่าปิตินั้นมีความโลดแรงมีความสู้ซ่า ส่วนสุขนั้นมีความสงบเราก็รู้เข้าใจตามที่เป็นอย่างนั้นแล้วรถเข้ามาเป็นอย่างไรรถเกิดขึ้นทําให้เราชื่นช่ำสบายอย่างไรแล้วก็มีอํานาจมีอิทธิพลในกายปรุงแต่งจิตของเราอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรตอนนี้แหละที่ว่าเรามีความรู้ชัดในตัวปิติและสุขนั้น คือไม่เฉพาะว่าสวยปีติเท่านั้นแต่มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับตัวปีติละสุขนั้นอย่างทั่วถึงตลอดเท่าที่เป็นไปได้อันนี้โดยเฉพาะก็คือการที่ว่าเมื่อเรารู้เข้าใจมันแล้วเรารู้ถึงความหยาบละนิดของมันรู้ถึงคุณและโทษของมันปีติละสุขนั้นโดยเฉพาะปีตินั้นแม้จะมีคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจแต่มันก็ยังมีโทษ จะเป็นของที่หยาบน่อาจจะทำให้กีดกั้นไม่ให้จิตของเราจเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ฉะนั้นในขั้นนี้ก็เป็นการที่ว่าหายใจเข้าออกโดยทุกเวลานี้มีความตระหนักรู้ในจิตสังขารคือปีติสุขที่อยู่ในใจมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปีติสุขนั้นเท่าที่เป็นไปนี้อย่างทั่วตลอดที่สุดแลวก็ มีความรู้ชัดอย่างนี้กำหนดไปจนกระทั่งมีความจัดเจนชำนาญเมื่อจัดเจนชำนาญดีแล้วก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปขั้นตอบไปก็คือขั้นที่แปดทีนี้พอเรารู้ชัดเกี่ยวกับจิตสังขารดีแล้วตอนนี้เราก็มีทุนพร้อมบริบูรณ์ว่าเรารู้คุณรู้โทษอะไรแล้วเราก็เห็นว่าถ้าหากว่าเราจะก้าวตอบไปนี่เราควรจะสามารถบังคับมันได้ ถ้าเราบังคับเวทนาคือจิตสังขานี้ได้ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่เราเราบังคับในแง่ที่ว่าให้ฝ่ายดีเกิดขึ้นและแม้แต่ฝ่ายดีนี้ในบางเวลาที่ต้องการอาจจะต้องมีการควบคุมบังคับให้มันละเอียดอ่อนและมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการก้าวหน้าไปในทางสภาพจิตใจและในการใช้ปัญญาด้วยตอนนี้เราก็ มาศึกษาคือฝึกหัดในการที่จะควบคุมเวทนานั้นต่อไปคือควบคุมจิตสังขารก็เป็นอันว่าในขั้นที่7นี้เรารู้ชัดจิตสังขารแล้วเราก็กล้ามาสู่ขั้นที่8พอเรารู้ตระหนักชัดดีเรามาถึงขั้นที่8ก็ถึงขั้นบังคับควบคุมจิตะสังขารก็จึงมีข้อปฏิบัติบอกว่าศึกษาว่าจากผ่อนะงับจิตสังขารให้ใจเข้า ศึกษาว่าจะขอระงับจิตสังขารหายใจออกอันนี้ก็คือเข้าหลักที่ว่าเมื่อกี้นี้เราสามารถบังคับควบคุมเวทนาได้บังคับตัวที่ปรุงแต่งจิตของเราได้ให้มันปรุงแต่งจิตของเราไปในทางที่ดีที่ละเอียดอ่อนและนิ่เป็นคุณเป็นประโยชน์มากขึ้นและสามารถปรับเวทนาคือปีติสุขนั้นให้เป็นไปอย่างพอเหมาะพอดีเพื่อกับการที่จะปฏิบัติก้าวหน้าไปเช่นว่า เราก็อาจจะเริ่มตั้แต่ระ ง, งับปีติไปเลยเห็นว่าปีตินี้ยังหยาบอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นเมื่อก้าวหน้าไปเราต้องการความสงบเราก็ระ ง, งับปีติเสีย<ม>เพื่อให้โอกาสแก่องค์ชาตหรือว่าคุณสมบัติอื่นสภาพจิตใจอื่นที่ดีกว่าเข้ามาแทนแตลอดจะพิจารณาคุณโทษรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่จะให้ปีตินั้นเกิดขึ้น ให้สุขนั้นเกิดขึ้นอะไรจะทําให้มันดับไปได้รู้ชัดในการที่จะควบคุมมันได้ก็เป็นอันตอนนี้เราก็สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งปีตีและความสุขไม่ให้มีทิพลครอบงำจิตใจของเราแต่ให้มันเป็นไปนตามที่เราต้องการคือให้มาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก เ, เรารับใช้เรานี้ก็เป็นการบังคับควบคุมสภาพจิตอย่างหนึง่งแต่ว่า คุมจากเวทนาที่เป็นตัวปรุงแต่งจิตก็ได้ความว่าขั้นที่แปดนี้เป็นขั้นที่มาถึงตอนที่เราสามารถบังคับควบคุมเวทนาด้วยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าศึกษาว่าจะาอนระงับจิตจสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจะอนระงับจิตจสังขารหายใจออกถึงตอนนี้เราก็มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของเรานี มากขึ้นทีเดียวแต่ว่าเป็นการชำนาญโดยที่อยู่ในขั้นของเวทนาการที่เราสามารถบังคับควบคุมเวทนาจัดสรรเวทนาของเราได้นี่มันก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลตลอดชีวิตจิตใจเป็นอย่างมากอยู่แล้วเราก็ก้าวต่อไปสู่บทที่สามหรือเป็นขั้นที่ก้าวเป็นต้นไป หมที่สาคือจิตตารู้ปัสนานี้ก็เริ่มตั้งแต่ขั้นที่9ที่บอกว่าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตหายใจออกแล้วก็ไปขั้นที่10ศึกษาว่าจะทําจิตให้บันเทิงหายใจเข้าศึกษาว่าจะทําจิตให้บันเทิงหายใจออกแล้วขั้น11ว่าศึกษาว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าศึกษาว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออก ถ้าไปขั้นสุดท้ายในบทที่3นี้คือขั้น12ศึกษาว่าจากเรื่องจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจากเรื่องจิตหายใจออกก็มี4 ข, ขั้นเดียกันนี้ในตอนนี้ได้บอกแล้วว่าเรามาถึงขั้นที่มีความสามารถในการที่บังคับควบคุมเวทนาที่เป็นจิตจสังขารที่เป็นตัวปรุงแต่งจิต วเวลาบังคับควบคุมเวทนาได้ก็มันก็มีผลมาถึงจิตใจแล้วตอนนี้เราก็เลยมาถึงขั้นที่มากาหนดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจแล่นอกจากว่าเราเริ่มมีความสามารถในการบังคับควบคุมจิตใจได้ผ่านเวทนาแล้วก็คือว่าการที่เราปฏิบัติก้าวหน้ามาถึงขั้นนี้นั้นเราได้ขยายขอบเขตของสิ่งที่เราจะใช้กาหนดพิจารณาเนี่ยออกไปอย่างกว้างกว่า เพราะฉะนั้นถ้ า, าว่าเราจะหันกลับย้อนไปไปกําหนดพิจรารณาตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งมาจนถึงเรื่องถึงขั้นที่แปดนี่เราก็สามารถทําย้อนกลับไปกลับมาได้อาจจะทําทบทวนไปมาให้คล่องแจ้งจัดเจนและทีนี้เราจะกําหนดที่จุดไหนก็ได้ขอบเขตที่เราจะศึกษาที่จะปฏิบัติการได้นี่ก็กว้างขวางมาก โดยเฉพาะก็คือว่าเราจะมีสภาพจิตใจให้เราดูตัวเองเนี่ยได้มากมายหลายอย่างเพราะว่าสภาพจิตใจของเราบางอย่างเราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าให้มีตามที่ต้องการไม่ได้แต่ตอนนี้เราสามารถสร้างสภาพจิตใจนั้นขึ้นมาดูได้แล้วในเมื่อเรามีสภาพจิตใจให้เราดูได้หลายอย่างเราพร้อมอย่างนี้แล้ว เราก็เลยมาดูสภาพจใจตอนนี้ก็มาถึงจิตตารณปัศนาก็ขั้นต้นก็คือการที่ว่าให้ศึกษาว่าจากรู้ชัดจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจากรู้ชัดหายใจออกก็คือรู้ชัดจิตของต้นตาที่เป็นจิตก็เป็นการก้าวมาดูลึกลงไปจากเวทนาก็ก้าวไปดูที่จิตใจดูสภาพจิตใจว่าจิตใจในขณะนั้นเป็นอย่างไร อย่างที่ว่าเวลามีเวทนาเกิดขึ้นเรามีสภาพจิตใจที่สอดคล้องกับอิทธิพลของเวทนานั้นมีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็สภาพจิตใจก็ถูกอิทธิพลทุกทุกนั้นทาให้เป็นไปอย่างหนึง่งมีความไม่ชอบใจเป็นต้นหรือว่ามีเวทนาที่เป็นสุขเราก็มีสภาพจิตใจที่เป็นไปนตามอิทธิพลของเวทนานั้นทีนี้ ตอนนี้เรากุมเวทนาก็ยังได้เราก็สามารถทำให้ปิติสุขเกิดขึ้นปิติสุขเกิดขึ้นเราก็มีสภาพจิตใจที่ดีงามให้ดูได้อีกก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้บอกว่าขยายขอบเขตของสภาพจิตที่จะให้เราพิจารณาเนี่ยหรือดูเนี่ยได้กว้างกว่านี้เราก็มาดูสภาพจิตของเรานั้นว่าเป็นอย่างไรในขณะนั้นๆมาดูสภาพจิตอย่างที่กล่าวไว้แล้วอย่างในหลักสติปัฏฐานทั่วไปนี่ มีสภาพจิตให้ดูมากมายที่ท่านยกตัวอย่างไว้ถึงสิบหกอย่างนั่นก็คือเป็นตัวอย่างที่เราเอามาใช้ในการดูจิตของเราในตอนนี้ในหัวข้อ น, นี้ได้เช่นว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคาจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าจิตไม่มีราคา ว่าจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะหรือจิตเป็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นพุ่มซ่านก็รู้ตามที่มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็เพียงรู้สภาพจิตตามที่เป็นเพราะว่าเราก้าวมาจากเวทนาเราก็มาเริ่มที่จิตในการรู้สภาพจิตเป็นขณะนั้นก่อนอันนี้ ตอนนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ในขั้นที่9้าเป็นจุดเริ่มต้นในจิตานุปัสสนาเมื่อมีความคล่องแคล่วดีพร้อมแล้วเราก็ก้าวต่อไปไปสู่ขั้นที่ส<ม>ิบก็ศึกษาว่าจะทําจิตให้บันเทิงหายใจเข้าศึกษาจิตว่าถ้าศึกษาว่าจะทําจิตให้บันเทิงหายใจออกคราวนี้เราก็มาเริ่มควบคุมบังคับจิตของเราให้เป็นไปในสภาพที่ดีที่ควรให้เป็นไปตามความประสงค์ของเรา นในกรณีนี้จะเห็นว่าท่านเลือกสภาพจิตให้เรามาทดลองฝึกหัดก็คือสภาพจิต ท, ที่บันเทิงที่มีปราโมทเพราะสภาพจิต ท, ที่ปราโมทล่าเริงเบิกบานนี้เป็นสภาพจิต ท, ที่ดีมากเป็นต้นทางของสภาพจิต ท, ที่ดีอื่นๆหลายอย่างอย่างที่เคยพูดในคราวก่อนว่าปราโมทเนี่ยตามปกติก็จะตามมาด้วยปิติและปัสสทธิและสุขแล้วก็สมาธิ ในชีวิตประจำวันนั้นถ้ามีปลาโมดก็คือว่าเป็นทางของสุขภาพจิตความมีความสุขถ้าเราก็พยายามทำให้เกิดสภาพจิตอันนี้ตอนนี้เราก็มาฝึกมาบังคับจิตของเราให้มันบันเทิงได้ตอนต้นนั้นขั้นเมอกี้นี้เราเพียงรู้สภาพจิตตามที่เป็นมาถึงขั้นนี้เราฝึกบังคับจิตทั้นก็เลยบอกว่าศึกษาว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงให้ใจเขา้า ศึกษาว่าจะทําจิตให้บันเทิงหายใจออกเราก็บังคับจิตของเราเนี่ยให้บันเทิงให้มีปราโมดจนกระทั่งว่าเมื่อเรามีความสามารถดีนี้ต่อไปก็คือเราจะบังคับจิตของเรานี้ให้มีความร่าเริงเบิกบานเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นความร่าเริงด้วยสภาพจิตที่เป็นสมาธิอาศัยสมาธิทําจิตให้บันเทิงแต่องค์ของฌานนี้เมื่อบําเพ็ญมาถึงฌานแล้ว ก็มีปีติสุขความปลาโมดก็เกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับปีติสุขนั้นหรือว่าจจะเกิดได้ปัญญารือปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับเวทนานั่นเองการที่มีความรู้เข้าใจแม้แต่เห็นปีตินั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีปัญญารู้เข้าใจก็ทำให้จิตนี้เกิดปลาโมดได้ คือการที่มีความรู้แจ้งเข้าใจความเป็นจริงนี้ทำให้จิตของคนเราเกิดความปราโมทขึ้นหรือแม้แต่ว่าอย่างชั้นที่เรียกว่าต่ำๆรือชื่นชมกับความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองหรือว่าในการที่เข้ามาปฏิบัติในทางที่ดีงามถูกต้องเป็นผลดีกับชีวิตจิตใจก้าวหน้าไปในการมีชีวิตที่ดีงามความรู้สึกต่างๆเหล่านี้สามารถทาให้จิตบันเทิงขึ้นมา ทีนี้เราก็มาปรุงบังคับจิตของเราให้เกิดเป็นสภาพที่บันเทิงอย่างนี้อันนี้เป็นข้อปฏิบัติในขั้นที่10ต่อไปก็เลื่อนไปอีกท่านก็เลือกสภาพจิตอีกอย่างหนึ่งให้เรามาทดลองฝึกขัดตัวเองก็คือข้อที่11บอนี้บอกว่าศึกษาว่าจากตั้งจิตมั่นหายใจเข้าศึกษาว่าจากตั้งจิตมั่นหายใจออกทีนี้แทนที่จะ บังคับจิตให้บันเทิงร่าเริงเบิกบานก็บังคับจิตให้ตั้งมันทำให้มันเกิดสมาธิได้ตามที่ต้องการเมื่ อ, อไรต้องการให้เกิดสมาธิก็ทำจิตให้เป็นสมาธิซึ่งจิตที่เป็นสมาธินี้ก็ได้บอกแล้วว่าในจิตที่ตั้งมัน่นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ไร้ทุรีมลทินไม่มีความคุณโมลเศร้าหมองแล้วก็เป็นจิตที่นุ่มนวลควรแก่งงานมั่นคงแน่แน่ อันนี้เป็นสภาพที่ดีต่างๆเรารู้คุณเข้ามันแล้วเราก็พยายามทำให้เกิดเป็นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ท่านเอามาให้เราฝึกปฏิบัติสองแบบที่บังคับจิตให้ลาเริงเบิก บ, บานหรือบันเทิงกับบังคับจิตให้ตั้งมัน่นก็จะมีคําถามแทรกว่าทําไมท่านจึงเลือกเอาสองอย่างนี้ที่มาบังคับจิตให้บันเทิงอย่างหนึ่งบังคับจิตให้ตั้งมั่นอย่างหนึ่ง ก็น่าจะพิจารณาเหตุผลพอเห็นได้ว่าสภาพจิตสองแบบนี้เป็นต้นทางของสภาพจิตที่เกื้อกูลก่อความดีงามสองแบบของชีวิตด้านหนึ่งก็คือด้านความสุขด้านความสุขนี้จะอาศัยตัวปลาโมดนี่เป็นตัวที่นำทางอย่างที่กล่าวแล้วว่าปลาโมดนี้อยู่ในสายของกุศลธรรม อยู่ในสายของความรู้สึกที่ดีงามก็คือปีติปสัสสติสุขสมัิอยู่ในสายเดียวกันซึ่งมันก็โยงไปหาสภาพจิติอีกอันที่เราบางังคับให้เกิดขึ้นด้วยแต่ว่าโดยสายของมันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการความสุขหมายความว่าเราถือว่าความสุขเป็นสิ่งที่ดีงามต่อชีวิตของเราในด้านหนึ่งก็คือว่าเอาปลาโมดมาเป็นตัวนําแล้วก็เป็นตัวแทน ก็ด้านความสุขเราก็บังคับจิตของเราให้มีปราโมทได้บังคับจิตของเราให้มีปราโมทได้เมื่อปราโมทได้ก็มีปีติประสิทธิสุขเองทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่เป็นสมาธิตั้งมันด้านนี้เป็นการที่ว่าเตรียมทําจิตให้เหมาะกกบการใช้งานที่จะก้าวไปสู่การใช้ปัญญาเพื่อจะเจริญปัญญาก้าวหน้าในปัญญาต่อไป เพรฉะนั้นสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของความเจริญพัฒนาของจิตอย่างสําคัญแล้วก็เราก็มาบังคับจิตของเราเนี่ยให้ได้สภาพที่เป็นตัวแทนแห่งความดีงามความเจริญพัฒนาสองอย่างนี้นี่พอเราบังคับจิตได้ท่องแคล้วดีในสองประการจะบังคับจิตให้บันเทิงก็ได้บังคับจิตให้ตั้งมั่นได้แล้วก็ก้กาวไปสู่ขั้นสุดท้าย ในจิตตารุปัสนาสติปัฏฐานนี้คือขั้นที่สิองซึ่งมีหลักบอกว่าศึกษาว่าจักเปรื่องจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจักเครื่องจิตหายใจออกอันนี้ก็เป็นการที่หัดที่จะปล่อยวางหัดที่จะให้จิตมีสรภาพนั่นเองพยายามทําจิตใจของตนให้มีอิสระเสรีซึ่งเป็นจุดหมายที่ต้องการเพราะาการที่เราปฏิบัติธทรรมนี่การที่เรามีปราโมทย์ก็ดี การที่เรามีสมาธิก็ดีเนี่ยเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติที่เราจะก้าวหน้าไปสู่จุดหมายซึ่งจุดหมายสุดท้ายนั้นเรามุ่งไปที่การทําจิตให้มีสลภาพคือหลุดพ้นนั้นตอนนี้เราก็ก้าวไปสู่ขั้นที่ว่าฝึกหัดจิตในทิศทางนั้นก็คือฝึกหัดจิตเนี่ยให้เปลื้องให้หลุดออกไปจากสิ่งที่เกาะเกี่ยวยึดถือทั้งหลายท่านใช้คําว่าเปลื้องจิตนี้จิตของเราตอนเนี้เราผ่านมา มากมายหลายอย่างแล้วผ่านมาทั้งอกุศลธรรมความชั่วความไม่ดีต่างๆเช่นนิวรณ์เป็นต้นแล้วก็ผ่านมาทั้งสภาพจิตที่เราสบายใจมีปีติสุขสภาพจิตที่บันเทิงมีสมาธิเนี่ยแต่ทั้งหมดนี้จะดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยเราจะต้องหัดที่จะเป็นอิสระจากมันโดยที่ทําจิตให้หลุดพ้นไม่ต้อง ข้องเกี่ยวไม่ต้องอาศัยมันเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดด้วยตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่าเราก้าวหน้าไปสู่การบังคับจิตฝึกหัดให้ก้าวหน้าต่อไปถึงขั้นที่เป็นอิสระเสรีก็เลยหัดปลดเปลื้องจิตปล่อยวางได้ทุกอย่างทุกระดับปลดเปลื้องจิตจากนิวรณ์ห้าก็ได้ปลดเปลื้องจิต จากปีติและสุขก็ได้ปลดเปลื้องจิตจากความสุขความทุกข์ปลดเปื่องจิตจากราคะโทสะโมหะตลอดจนปลดเปื่องจิตจากความเข้าใจผิดๆต่างๆอย่างเช่นว่าเรามีความเข้าใจผิดที่เป็นของบุตรชนเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นต้นที่ทะเลวันนี้จสญญะสัญญาอันตสัญญาตอนนี้เราก็เปลื้องจิตจาก อาจตสัญญาอาจจากนิจจะสัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยหมายความว่าความยึดติดถือมั่นทุกอย่างความเกาะเกี่ยวทุกอย่างนี้เราหัดเรื่องจิตให้พ้นไปให้หลุดไปนี่ก็เป็นการปฏิบัติในขั้นนี้แป็ น, นั้นว่าเราเริ่มฝึกบังคับจิตของเหล่านี้ให้หลุดพ้นให้เป็นอิสระเสรีได้จากทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่วไม่ยึดมั่นเกาะติดกับสิ่งใดๆเลย เมื่อหัดมาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าเพียงพอในขั้นจิตานุปัสสนาเป็นการที่ว่าสามารถบังคับจิตของตนให้เป็นไปในสภาพที่ดีงามพึงปรารถนาเกือ้อกูลต่อชีวิตจิตใจขอยงตอนเองและเกือ้อกูลต่อการที่จะก้าวหน้าต่อไปสุดจุดหมายมาเมื่อพร้อมอย่างนี้แล้วก็ขึ้นสู่หมวดที่สี่หมวดสุดท้ายคือหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะได้ไป พิจารณาในเรื่องธรรมะต่อไปหมวด4สุดท้ายธรรมานุปัสสนาก็จะมีเริ่มด้วยขั้นที่13ซึ่งให้ศึกษาว่าจะตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกแล้วต่อไปขั้นที่14ว่าศึกษาว่าจะตามเห็นความคลายออกหายใจเข้า ศึกษาว่าจากตามเห็นความคลายออกหายใจออก15ศึกษาว่าจากตามเห็นความดับหมดไปหายใจเข้าและศึกษาว่าจากตามเห็นความดับหมดไปหายใจออกและสุดท้าย16ศึกษาว่าจากตามเห็นความสลัดคืนเสียได้หายใจเข้าศึกษาว่าจากตามเห็นความสลัดคืนเสียได้หายใจออกมีสี่ขั้นเด็กกันอันนี้การที่มาปฏิบัติในระดับธรรมานุปัสสนา this เราก็ผ่านมาถึง12ขั้นแล้วแล้วกในแง่ของตัวสติปัฏฐานก็ผ่านมาสามอย่างรูปสาหมวดกายานุปัสนาผ่านมาเวทนานุปัสนาผ่านมาจิตานุปัสนาผ่านมาผ่านมาหมดแล้วเมื่อผ่านมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็เป็นการที่ว่าเราได้มีขอบเขตของสภาวธรรมหลากหลายอย่างยิ่งที่จะมาให้เราพิจรารณา ตั้งแต่กายสังขารจิตสังขารมาเรื่องอกุศลถึงกุศลรธรรมระดับสูงจนกระทั่งถึงเรื่องฌานองค์ฌานต่างๆสภาพจิตที่มีปลาโมสถึงสมาธิเราก็ผ่านสภาพเหล่านั้นมาจึงทั้งว่าเราบังคับให้มันเกิดขึ้นมาก็ได้อันนี้เมื่อเรามีสภาพจิตอย่างนี้ให้เราดูได้มากมาย แล้วก็เราก็มีองค์ธรรมที่มันอยู่ในสภาพจิตเหล่านั้นเราก็เข้าไปดูองค์ธรรมที่อยู่ในจิตอย่างนั้นบ้างก็เท่ากับว่าเรามีความพร้อมอยู่มากแล้วเราก็สามารถที่จะย้อนไปย้อนมาโดยผ่านการกาหนดพิจารณาตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งมาถึงขั้นที่สิบสองเนี่ยไปไปมามาดูแล้วก็ตอนนี้เราก็เปลี่ยนใหม่การดูของเราตอนนี้เรามาดูตัวธรรมตัว สิ่งที่ดีที่ชั่วอะไรต่างๆกุศลอกุศลที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราแทนที่จะไปดูสิ่งอื่นอย่างที่ผ่านมาการนี้ก็เท่ากับเลื่อนมาอยู่ในธรรมานุปัสสนาแค่นี้เราก็ดูโดยที่ว่าวิธีดูของเราตอนนี้ท่านให้ก้าวไปถึงขั้นว่าดูสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของเราในชีวิตของเรานั้นเลย สิ่งที่เราได้พบเห็นผ่านมาในการปฏิบัติที่ว่ามีมากมายนี้เราตรวจดูโดยนน้อมไปดูในแง่ของสภาวะความเป็นจริงก็จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสภาพจิตหรือสิ่งที่กําหนดพิจารณาทุกอย่างที่เราผ่านมาเนี่ยเราเข้าขั้นโน้นผ่านขั้นนี้มาออกไปสู่ขั้นนั้น เมื่อมองในแง่หนึ่งตามความเป็นจริงก็เห็นความเกิดขึ้นความดับไปหรือความปรากฏขึ้นแล้วก็ความหายไปตอนนี้จิตของเราก็โน้มไปดูในแง่ของความเกิดดับนี้ก็เห็นความเกิดดับอันนี้ก็คือข้อปฏิบัติขั้นต้นที่เป็นขั้นที่13มในธรรมานุปัสสนาคือศึกษาว่าจักตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า ศึกษาว่าจากตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกอันนี้ก็เรามีสิ่งที่จะให้ดูพร้อมแล้วเราก็สามารถเห็นได้ชัดเจนจากการที่เราจะเข้าออกผ่านขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มองดูในแง่ของความเป็นจริงที่เกิดดับนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นการเห็นจากของจริงที่มันปรากฏขึ้นในการเจริญวิปัสสนา เราก็เห็นความเกิดดับนั้นเอาจิตที่บังคับหัดไว้ดีนั้นมาศึกษาดูความจริงของสภาพหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นธรรมะแล้วเราก็เห็นอนิจจังนั้นเมื่อเราเห็นอนิจจังแล้วมันก็เป็นตัวต้นตัวเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเห็นทุกขังและอนัตตาต่อไปก็หมายความไม่ใช่หยุดเฉพาะอนิจจังเท่านั้นเห็นความเกิดดับแล้วก็เห็นสภาวะความจริงที่ สิ่งเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นที่เราผ่านที่เราประสบในการปฏิบัติล้วนแต่ถูกความเกิดดับบีบคั้นคงอยูสภาพเดิมไม่ได้มันก็เปลี่ยนก็สลายแปรไปแล้วก็ทั้งหมดนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิน้นมีความสัมพันธ์กันในเชิงเหตุปัจจัยอาศัยเหตุปัจจัยเกิดดับมันก็ไม่มีเป็นตัวเป็นตนเราก็เห็นกระแสความเป็นไปของ ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งถ้าเราดูชัดเข้าไปพิจารณาลึกซึ่งก็จะเห็นความเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทด้วยก็ดูความเป็นไปความเกิดดับอะไรต่างๆเหล่านี้ให้ล่องแคล่วจัดเจนมีความชำนาญ น, นี้ก็เป็นเรื่องของธรรมานุปัสสนาในขั้นที่หนึ่งทีนี้พอเราปฏิบัต โดยโน้อมจิตไปในแง่ของการมองความจริงแบบนี้เห็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาแล้วพอเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องที่เราประสบประสบการณ์ทุกอย่างจิตมันก็พร้อมพร้อมอะไรคือพร้อมที่จะคลายออกพร้อมที่จะถอนความยึดติดถือมันได้พอจิตมีความพร้อมเริ่มคลายออกไปเราก็เปลี่ยน เราก็หันมาตามดูเห็นความคลายออกนี้คล้ายว่ามาสัมผัสกับสภาพความเป็นจริงของความคลายออกซึ่งเป็นผลจากการเห็นอนิจจังนั่นเองนี่ก็เท่ากับว่าการที่เราเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นอย่างเพียงพอชัดเจนพอสมควรแล้วจิตใจก็ถึงภาวะที่พร้อมจะคลายออกจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ ความรู้สึกยุดติดถือมันนั้นก็คลายออกค่อยๆจางไปก็ตามดูเห็นความจางคลายที่เกิดมีเป็นไปอยู่ในจิตใจของตอนเองนั้นตอนนี้จริงเข้าสู่ข้อปฏิบัติขั้นที่14ที่บอกว่าศึกษาว่าจากตามเห็นความคลายออกหายใจเข้าศึกษาว่าจากตามเห็นความคลายออกหายใจออกนี่ก็ดูตามสมภาพจิตเป็นจริงแต่มันเป็นสภาพผลที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ ในเชิงที่ว่าไปในทางที่โน้มสู่โล ก, กุตระซึ่งตัววิราคาที่แท้ก็เป็นโล ก, กุตรธรรมคือการที่จะพ้นจากความติดอยู่ข้องอยู่ในสังขารในโลกพอมีสภาพจิตเป็นความคลายออกจากความยึดติดแล้วคลายออกไปได้จริงๆเพราะคลายออกไปแล้ว มันก็มาถึงภาวะที่ว่าความยึดติดถือมั่นอะไรนั้นที่มันคลายออกมันก็หมดไปภาวะที่หมดไปดับหายไปนี้เราเรียกว่านิโรธเราก็ย้ายมาจากการตามดูความจางคลายก็มาตามดูความดับหายหมดไปก็เลยมาถึงขั้นที่ส5บห้าคือศึกษาว่าจากตามเห็น ความดับหายไปหรือความดับหมดไปหายใจเข้าศึกษาว่าจากตามเห็นความดับหมดไปหายใจออกอันนี้ก็หมายถึงความดับหายไปของสภาพความยึดติดถือมั่นอะไรต่างๆนี้เห็นความไม่มีแห่งความยึดติดถือมั่นที่เกิดขึ้นนั้นเห็นความดับหมดไปของกิเลสและความทุกข์ เห็นความดับหมดไปของความโศกเศร้าความกังวลสิ่งข้างใจการติดข้องอะไรต่างๆสิ่งที่กดทับบีบคั้นจิตใจต่างๆหมดไปสิน้นอันนี้มันมีความหมายถึงความดับทุกขเราพูดง่ายๆก็คือความดับทุกนั่นเองตอนนี้ก็มองเห็นสภาวะความดับทุกขที่เกิดขึ้นในใจของตนเองก็ตามดูสภาวะนี้ก็ มีประสบการณ์เป็นประสบการณ์ในจิตใจของตนเองแล้วต่อจากนั้นก็ก้าวเข้าไปยังข้อปฏิบัติขั้นที่สิบหกซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย mm hmm. ก็คือเมื่อเมื่อว่ากิเลสความทุกข์ความผูกมัดติดข้อง้างคากัางวนอะไรต่างๆเหล่านี้หมดไปแล้วมันคลายออกไปก่อนในข้อสิบสี่แล้วก็ ดับหมดไปในขั้นที่สิบห้าเพราะมันดับหมดไปแล้วมันก็เกิดภาวะที่เหมือนกับว่าสลัดตัวหลุดออกไปได้ลอยตัวเป็นอิสระอันนี้ก็ภาวะที่ลอยตัวเป็นอิสระเกิดความปลอดปร่งโล่งเบาทุกประการภาวะนี้เรียกว่าความสลัดคืนความสลัดคืนนี้ก็คือความสลัดตัวหลุดออกมาลอยตัวเป็นอิสระนั่นเองทีนี้ภาวะนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ว่า คลายความยึดติดถือมั่นออกได้แล้วก็ดับความยึดติดถือมัน่นดับความทุกข์อะไรต่างๆนั้นหมดไปแล้วภาวะนี้ก็เกิดขึ้นมาเองต่อเนื่องกันและเป็นภาวะของความเป็นอิสระภาพที่แท้จริงทีนี้ภาวะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาในใจของเราเองพอเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ตามดูตามเห็นตามดูภาวะที่สลัดตัวหลุดออกได้ลอยตัวเป็นอิสระมีความเป็น เสรีอย่างสมบูรณ์นี้ที่เป็นไปในจิตใจของตอนเองตอนนี้ก็เป็นภาวะที่ว่าพ้นจากโลกิยะพ้นจากการที่จมอยู่ในโลกมาสู่ภาวะโลคุตระอยู่เหนือโลกได้อย่างน้อยเมื่อเราปฏิบัติอยู่ในขั้นที่ว่ายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานแท้มันก็เป็นการชิมลางคือว่าท่านเรียกว่าได้ต่ทงคะเป็น นิพพานก็ขั้นตทางคะชั่วคราวหรือวิขำพนะขั้นที่ว่าได้อาศัยกุศลธรรมฝ่ายดีนั้นมากดมาทับข่มฝ่ายที่เป็นอกุศลไว้อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติมาถึงขั้นที่สิบหกถึงขั้นที่ทำให้เกิดภาวะที่มีความหลุดพ้นเป็นอิสระเสรีเราจะเห็นว่าการบังคับจิตให้หลุดพ้นนั้นมีตั้งแต่ ขั้นสุดท้ายขอจิตานุปัสสนาแต่นั้นเป็นขั้นที่บังคับจิตให้พน้นแต่มาถึงขั้นนี้เรามาสัมผัสประสบการณ์ของความหลุดพ้นนั่นเองมันคนละอย่างอันนั้นบังคับจิตให้พน้นคราวนี้สัมผัสกับภาวะแห่งความหลุดพ้นนั้นเมื่อมาถึงการสัมผัสกับภาวะแห่งความหลุดพน้นความเป็นอิสระเสรีปลอดลโปร่งลงเบาแล้วก็ถือว่าครบ วงจรของการปฏิบัติครบกระบวนเป็นธรรมานุปัสนาขั้นสุดท้ายก็เป็นขั้นที่16ของการเจริญอาณาปานาสติ16บหขั้นนี่ก็คือการที่นําอาณาปานาสติมาใช้ในการเข้าสู่สติปัฏฐานครบทั้ง4ี่หมวดการปฏิบัตินี้ก็โดยสาระสาคัญก็จบถึงเท่านี้ทีนี้ ก็จะไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติก็ได้บอกเป็นการสรุปแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในตอนท้ายของพระสูตรว่าอาณาปานสติที่บำเพ็ญอย่างนี้ก็ทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ก็ที่พูดมาทั้ง16ขั้นนั่นแหละคือการที่ว่าเป็นการบำเพ็ญอาณาปานสติชนิดที่ว่าทำสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์เมื่อเราหายใจเข้าออกโดยที่ทุกลมหายใจเข้าออกนั้น ได้มีการกำหนดพิจารณารู้ตลอดจนบังคับสภาวธรรมต่างๆให้เป็นไปอย่างที่เราได้ผ่านมานี้มันก็เป็นการที่ทำให้เกิดสติปัฏฐานครบสี่บริบูรณ์ทีนี้ท่านก็บอกต่อไปว่าสติปัฏฐานสี่ที่บำเพ็ญอย่างนี้แล้วคือได้อาศัยอนาปานสติมาทำให้บริบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ทำให้โพธิชงเจ็ดบริบูรณ์คถามต่อไปก็คือว่า สติปฐานสี่ที่บริบูรณ์นั้นทำให้พทชงเจดบริบูรณ์อย่างไรแล้วเราก็จะเห็นว่าพจโชงเจดนี้เป็นตัวที่สืบต่อจากสติปฐานและเป็นตัวที่จะนำไปสู่จุดหมายที่แท้จริงในพจชงเจดประการนั้นตัวแรกก็เป็นสติเหมือนกันสติปฐานนี้ก็เน้นเด่นชัดที่ตัวสติและในพทชงเจดประการนั้นก็เริ่มต้นด้วยสติ เพราะนั้นสติในสติปัฏฐานนี่แหละก็จะกลายเป็นสติของพอดชงหมายความว่าเมื่อบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วสติในสติปัฏฐานก็กลายเป็นสติพอดชงไปถ้าเรียกชื่อเต็มว่าสติสัมพอดชงกล่าวคือสติในสติปัฏฐานที่ได้ปฏิบัติฝึกทํางานจนเข้มคล่องทันเป็นอย่างดีแล้วก็จะกลายเป็นสติสัมโพอดชง ซึ่งเป็นองค์ธรรมในขั้นที่จะให้เกิดการตรัสรู้ได้นอกจากสติจะกลายเป็นสติสัมโพชงแม่องค์ธรรม อ, อื่นที่ทำงานอยู่ด้วยกันกับสตินั้นก็คล่องเข้มทางานได้อย่างเป็นโพชงไปด้วยแล้วองค์ธรรมเหล่านั้นทั้งหมดตั้งแต่สติเป็นต้นไปก็เป็นองค์ธรรมหรือตัวประกอบที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้จึงเรียกว่าเป็น พชงก็หมายความว่าองค์ธรรมต่างๆที่ปฏิบัติมาในสติปัฏฐานนั่นเองเมื่อมันจเจริญเต็มที่แล้วมันจะถึงขั้นที่กลายเป็นพอชงทำให้พร้อมที่จะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าวิชาวิวมุตตต่อไปก็มาดูทีละอย่างละอย่างที่ว่ามันเข้มขลองขึ้นอย่างไรพอจะให้เห็นลักษณะความสัมผัสก็ดูตามลำดับของพชชงเจประการพชชงเจ็ก็หนึ่งก็สติ ตัวแรกอย่างที่ว่าซึ่งแสดงความสัมพันธ์ชัดกับสติปัฏฐานทีเดียวแหละสติปัฏฐานก็โอนไปกลายไปไปเป็นสติสัมโพชฌงก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าสติก็ทำงานเด่นชัดตามทันอารมณ์ที่เป็นไปเช่นสภาพจิต ท, ที่เป็นไปอยู่มีราคะเกิดขึ้นหรือฝ่ายดีมีศรัทธาเกิดขึ้นหรือว่าฝ่าย ช่วอื่นเช่นนิวรเกิดขึ้นอะไรก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยสติจับเอามาทันหมดเอามาให้ปัญญาพิจนารณาวินิจฉัยได้ฉับไวหรือว่าเลือกเอาสิ่งที่เหมาะเหมาะมาส่งให้ปัญญาเลือกเอามาใช้จัดการทํางานอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากปัญญาจะทํางานได้ผลดีก็เมื่อสตินี้คล่องแคล่วและทํางานได้ผลดีอันนี้ตอนนี้สติเนี่ยที่ได้ฝึกขัดมาอย่างดีแล้ว ก็ทํางานได้เข้มขล่องฉับไวทันการทันทุกอย่างสิ่งที่จะนํามาใช้ในการที่จะทํางานให้ได้ผลในสติก็ทําได้ทันหมดเพราะนั้นปัญญาก็มีโอกาสที่จะทํางานได้ผลดียิ่งขึ้นตลอดจนกระทั่งว่าสตินั้นก็เป็นตัวพูดภาษาสำนวน ว, นว่าเบิกตัวปัญญามาได้ทันการคือคนทั่วไปนี้จะมีปัญหาที่ว่าถึงเวลาจะต้องใช้ปัญญามันไม่มา ปัญญาไม่มาเพราะอะไรสติมันไม่มีเมื่อสติไม่มีปัญญาไม่มาทีนี้เราฝึกด้วยสติปัฏฐานจนกระทั่งสตินิทันเด่นชัดมากสติมันก็เบิกตัวปัญญามาให้ทำงานได้ทันควันมีอะไรที่จะต้องจัดการสติก็มาทำหน้าที่แล้วก็ส่งงานต่อให้ปัญญาก็คือเบิกตัวปัญญามาทำงานได้ทันควันอันนี้ก็เลยเข้าไปสู่ข้อที่สอง สติก็ต่อกับปัญญาเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบข้อที่สองเขาพดชงก็ตามมาได้ปัญญาที่มีชื่อเฉพาะว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะก็แปลว่าการเฟ้นธรรมหรือการวิจัยธรรมก็ปัญญานั้นเองเมื่อสติส่งข้อมูลมาชัดทันการและเบิกตัวปัญญาเองมาได้ไหวก็ทํางานได้ผลดีปัญญาก็ชัดคมวิจัยเฟ้นวินิจฉัยแยกวิเคราะห์ได้ผล ในเรื่องกุศลอกุศลสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษอันไหนจะามาใช้ในกรณีใดได้ผลที่สุดเมื่ อ, อไรจะใช้อะไรจะทำอย่างไรอันนี้ก็เกิดความจัดเจนของปัญญาขึ้นมาซึ่งอาศัยความจัดเจนของสติด้วยตอนนี้เราก็มาถึงขั้นที่ว่าปัญญาที่ทำงานเป็นสัมปชัญญะในสติปัฏฐานนั้นก็กลายมาเป็นตัวธรรมวิจยะสัมโพธิชงไปอันนี้ก็ เป็นองค์ที่สองในพจน์ชงเจ็ดต่อไปข้อที่สามวิริยะความเพียรความเพียรเมื่อการวิจัยได้ผลดีทำงานได้สำเร็จก็ดีเยอะเกิดความรู้ความเข้าใจก็ดีเนี่ยเราก็ย่อมมีกําลังใจกระตุ้นให้เกิดแรงมากขึ้นที่จะเดินไปข้างหน้าอันนี้เป็นธรรมดาคนเราเมื่อทำอะไรได้สำเร็จผลดี และเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเนี่ยมันจะเกิดกําลังใจมีแรงที่จะก้าวหน้าต่อไปอันนี้เรียกว่าวิริยะทีนี้วิริยะนี่ก็จะมีการเกิดขึ้นเพราะเราต้องอาใช้อาตตาปีเป็นตัวความเพียรคอยประครับประคองกระตุ้นให้การปฏิบัติเดินหน้าอยู่แล้วแต่นี้เมื่อการปฏิบัติมันเดินหน้าไปจริงๆเนี่ยไอ้ตัววิริยะเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นตัวที่มีกําลังดีมาก มันเดินหน้าไปอย่างชนิดที่พร้อมที่จะทํางานให้พอเหมาะพอดีที่จะให้ปัญญาก็ทํางานอย่างได้ผลดีที่จะทําให้เกิดการตัดสรูป ข, ขึ้นเพราะฉะนั้นวิริยะนี้ก็ทําให้เดินรุดหน้าไปมีกําลังใจที่จะเข้าถึงความรู้จริงยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปตลอดจนกระทั่งว่ามีแรงมีกําลังใจที่จะละเว้นกําจัดพวกอกุศลทิ่งที่เสียหายเป็นโทษ หมายความว่าปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นบอกมาให้ว่าอันนี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษเสียหายไม่เกื้อกูลต่อชีวิตพอรู้ชัดอย่างนี้ก็เกิดวิริยะความเพียรเดินหน้าไปที่จะไปกําจัดแก้ไขป้องกันอกุศลนั้นหรือปัญญาแยกแยะออกมาให้ชัดว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเกื้อกูลเป็นประโยชน์ ก็เกิดความเพียรขึ้นมาที่จะไปเจริญไปเพิ่มพูนสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นรักษาไวและทำให้มากขึ้นจกนกระทั่งเต็มบริบูรณ์ความเพียรก็จะมาทําหน้าที่นี้ทั้งในแง่ที่ว่าเล่าเว้นกับจัดอกุศลและในการที่ว่าจะเจริญกุศลให้เต็มที่ก้าวหน้าไปในเรื่องของการที่จะรู้สภาวธรรมยิ่งขึ้นไป ต่อจากวิริยะก็มาถึงองค์ข้อที่4ก็คือปีติความอิ่มใจความอิ่มใจที่มีอยู่แล้วในตอนปฏิบัติสติปัฏฐานก็จะมากลายเป็นปีติในพจนชงคือปีติที่มาทํางานร่วมกันในการที่จะเข้าถึงจุดหมายในการที่จะกําจัดกิเลสและเข้าถึงสัจธรรมนี้ปีติก็ามาเป็นองค์ประกอบนี้ด้วยเมื่อมีความก้าวหน้าได้ผลมีความสําเร็จ จากการเดินหน้าขององค์ธรรมมีธรรมวิจยะมีวิริยะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดปิติความอิ่มใจปลื้มใจและเป็นความปิติปลื้มใจชนิดที่ท่านเรียกว่านิรามิตคือไม่อิงอาศัยอมิตเป็นสิ่งที่เกิดจากความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมสภาพสภาวะภายในจิตใจที่ดีงามเป็นกุศลไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกมันเป็นหยื่อล่อ ทีนี้ปีติเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นสภาพจิตที่หล่อเลี้ยงการทํางานของใจเพราะใจจะทํางานได้ดีก็ต้องมีสภาพจิตที่มีความสุขมีปีติมีความอิ่มใจเพราะนั้นปีตินี้ก็มาช่วยหล่อเลี้ยงการทํางานของใจให้ได้ผลดีแล้วก็เป็นฐานของสภาพจิตที่ทํางานอย่างได้ผลและเป็นสุขนอกจากทางานก้าวหน้าดีแล้วก็ทํางานอย่างเป็นสุขด้วย เฉพาะในการปฏิบัติธรรมในทางจิตภาวนาปัญญาภาวนาอย่างการงานทั่วไปนี้ก็ควรจะมีปีติถ้าหากว่าใครมีปีติมันก็ยิ่งทํางานได้ผลเป็นสภาพจิตที่ว่าทํางานด้วยความมีความสุขด้วยแล้วก็จะทําให้ทํางานได้ผลดีด้วยปีตินี้ก็เกิดขึ้นเป็นองค์หนึ่งในสามพจชงต่อจากปีตินี้เราก็ทำํำนายได้เลยเพราะปีตินี้จะต่อได้ปัสจุบัน ปัจสถานีก็คือความผ่อนคลายระงับหรือผ่อนระงับที่ไม่มีความเครียดเพราะฉะนั้นเมื่อมีปีติแล้วปีตินี้เป็นเรื่องที่โลดแรงสู้จะก็จะตามมาด้วยความผ่อนคลายสงบระงับลงไปของกายใจเรียกว่าปัจสถานีแล้วก็นำมาซึ่งความสุขด้วยเมื่อมีปัจสถานีแล้วสุขก็ตามมาคือเวลาพูดถึงสุขก็ให้รู้ว่า ในที่นั้นแฝงเอาปสัสจัิที่ไปด้วยในกรณีนี้พูดถึงปสัสจัที่เป็นตัวเด่นก็ให้รู้ว่ามีความสุขตามมาด้วยในคําบรรยายในนั้นเองในพระใจปิฎกเนี่ยท่านพูดถึงปสัสจัติที่แล้วท่านก็พูดถึงความสุขด้วยแต่ว่าไม่เอามาจัดเป็นองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็คือการที่ว่ามีความสุขด้วย เป็นนั้นว่าต่อจากปิติอิ่มใจปลื้มใจก็มีปัจสถานความผ่อนคลายสงบเย็นแล้วก็พร้อมกันนั้นก็มีความสุขตามมาการทํางานปฏิบัติก็ก้าวหน้าไปได้โดยไม่มีความเครียดมีแต่ความชื่นชมในใจและเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็ตามมาด้วยก็คือสมาธิเมื่อมีสุขแล้วก็มีสมาธิความตั้งใจมั่นความมีใจแน่แนๆอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียว ตอนนี้จิตก็คล่องสะดวกไร้สิ่งบีบคั้นรบกวนด้วยความสุขนั้นก็เลยทําให้เกิดความตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิแล้วสมาธินี้ก็เป็นภาวะจิตที่รองรับการทํางานที่ได้ผลดีทั้งหมดอย่างที่ว่ามาแล้วอันนี้ก็เราก็ได้จิตเป็นสมาธิรองรับการทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วภาวะจิตที่มีสมาธิก็ประณีตยิ่งขึ้นไปตามลําดับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่า เป็นโพชชงก็เป็นสมาธิที่เพียงพอกกบการที่จะทำงานในการที่จะตรัสรู้แล้วเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคืออุเบกขาคือเมื่อบาเพ็ญสติปัฏฐานได้บริบูรณ์แล้วก็จะมีองค์ธรรมที่เกิดขึ้นคืออุเบกขานิดด้วยคือเมื่อทุกอย่างทั้งสภาพจิตที่สุขสบายการทำงานขององค์ธรรมต่างๆก็ลงตัวกันได้ที่ทุกประการ ทุกอย่างดําเนินไปในทิศทางที่จะเข้าไปสู่จุดหมายแล้วพอถึงจุดนี้จิต ก, ก็จะวางมือได้เรียกว่าถ้าเราเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมการทํางานก็วางมือได้ได้แต่มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีอันนี้คือสภาพที่เรียกว่าอุเบกขาจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างในสมัยโบราณจะเปรียบเทียบเหมือนกับรถมา้ารถม้าที่มีม้า นำวิ่งหลายๆตัวมานั้นจูงรถไปม้าเทียมม้าเทียมรถหลายๆตัวสมมติว่ามีสองคู่แม้แต่คู่เดียวตอนแรกนี้สารถีก็จะต้องคอยใช้แทะหรือใช้อะไรก็ตามเนะี่ยคอยบังคับม้าให้วิ่งให้สม่ำเสมอเดี๋ยวตัวนี้วิ่งช้าไปต้องกระตุน้นตัวนั้นวิ่งเร็วไปต้องรังไว้ อะไรทานองนี้สารถีก็ยุ่งอยู่กับการที่จะให้รถให้รถม้าในวิ่งไปอย่างเรียบสม่าเสมอทีนี้พอรถวิ่งไปได้ด้วยดีม้าวิ่งพอดีพอ ด, พอดีปรับได้เหมาะแล้วเชรมาสองตัวก็ดีสองคู่สี่ตัวก็ดีทุกตัวนี่วิ่งสม่าเสมอกันหมดไม่มีตัวไหนช้าตัวไหนเร็วกว่ากัน พอวิ่งได้ที่อย่างนี้สารถีเป็นยังไงสารถีก็ไม่ต้องไปคอยกระตุ้นมาตัวช้าไม่ต้องไปคอยร่างมาตัวเร็วอะไรทุกอย่างเข้าที่ดีสารถีก็วางมือได้แล้วก็มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีไม่ใช่ปล่อยนี่ภาวะนี้แหละคือภาวะที่เรียกว่าอุเบกทุกอย่างลงตัวเข้าที่เป็นไปในทิศทางสูตรจุดหมายแล้ว ก็วางมือได้มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีภาวะนี้เรียกว่าอุเบกขาองค์ธรรมทุกอย่างนี้สอดคล้องลงตัวทำงานได้ที่แล้วเกิดภาวะที่เป็นโพชชงถึงขั้นนี้แล้วจะเกิดภาวะจิตที่เรียกอุเบกขาแล้วก็ทำงานเข้าสู่จุดหมายคือการจัดสรู้ได้ก็เป็นองค์ธรรมครบเจ็ดประการ ทวนอีกทีก็มีหนึ่งสติความระลึกได้อันนั้นที่เป็นตัวกําหนดเอาจิตไว้กับอารมณ์เป็นผู้เบิกตัวองค์ธรรมต่งตางๆมาทำงานและสองทำมวิจยะความเฟ้นธรรมวิจัยธรรมปัญญาที่สอดส่องเห็นประจักษ์เฟ้นเอาอความจริงออกมาได้สามวิริยะความเพียรสี่ปิติความอิ่มใจห้าปสัสสติ ความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจซึ่งรวมถึงความสุขด้วยและก็สมาธิความมีใจตั้งมัน่นแล้วก็อุเบกขาความวางใจเป็นกลางพอดีซึ่งให้คําหมายคําแปลได้ยากก็รู้จักคําอธิบายอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นการที่มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีอย่างที่กล่าวก็แลปลว่าลงตัวครบเจตการนี้เรียกว่าสัมพุทชงเมื่อสติปัฏฐานนี้ บำเพ็ญบริบูรณ์แล้วก็จะทําให้องค์ธรรมต่างๆนี้กลายมาเป็นพจน์ชงเจ็ดประการดังกล่าวนี้พอฝึกอย่างนี้คุ้นดีแล้วไม่เฉพาะในการปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นที่จริงอันนี้ท่านก็คือการฝึกชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้มันพัฒนาไปพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามันก็คือการที่ไปทําอะไรก็ได้ทุกอย่างนั้นผู้ที่ฝึกตนเองอย่างนี้คล่องดีแล้วคุ้นดีแล้ว ไม่ว่าไปทำกิจการงานอะไรเขาก็จะเป็นอยู่และทำกิจการทั้งหลายเหล่านั้นโดยมีสภาพจิตและลักษณะอาการที่ปฏิบัติหรือทำงานในแบบนี้คือทำงานอย่างได้ผลดีทำงานโดยมีความสุขมีจิตใจที่สบายตลอดเวลาหราอว่าทำงานได้มีสติชัดเจนส่งงานให้ปัญญา อย่างทันการพาปัญญามาทำงานได้ดีสภาพจิตที่ทำงานมีปีติมีปัะสทบัมีความสุขอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือการที่ว่าเมื่อสภาพจิตมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วมันก็นำไปสู่การดาเนินชีวิตและประกอบกิจกรรมทุกอย่างด้วยสภาพจิตเช่นนี้ก็เป็นสภาพจิตที่ึงปรารถนาแล้วในสภาพจิตยอย่างนี้ที่มีพจชงนี้จะไม่มีนิวรหเข้ามารบลวน วนเวียนไปมาเนี่ยมันก็กลับมาเรื่องนิวรณอีกทีหนึ่งที่เราบอกว่าเข้าฌานตอนที่จะถึงฌานนั้นนิวรณ์ห้าละ ง, งับไปเนี่ยก็เป็นระ ง, งับโดยวิธีของสมถะการเจริญสมาธิแต่ตัวธรรมะที่กำจัดนิวรณ์ที่แท้จริงนี่คือพอดชงนี่เองพอดชงเนี่ยเป็นตัวปฏิปักษ์ของนิวรณ์เมื่อพอดชงเกิดขึ้นแล้วก็จะกำจัดนิวรณ์ให้หมดไปนิวรณ์ที่หมดไปในการเจริญสมถะ ในฌานนั้นเป็นนิวระงับชั่วคราวกิเลสสงบไปชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้หายไปเลยนิวรจะหายไปหมดจริงก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามหลักวิปัสสนาจนกระทั่งว่าชำะระล้างกิเลสได้หมดสิ้นด้วยปัญญาเพราะนั้นมันจะต้องมากําจัดกันอีกทีด้วยโพอดชงนี้นี้นก็เมื่อโพอดชงนี้บริบูรณ์ในการเจริญสติปัฏฐานอย่างบริบูรณ์แล้วก็นําไปสู่ผลประกาศสุดท้ายคือที่พระพุทธองค์ตรัสว่า พดชงเจ็ที่เจริญบําเพ็ญอย่างนี้แล้วย่อมทําวิชาวิมุติให้บริบูรณ์วิชาวิมุตก็แยกเป็นวิชาและวิมุตนั่นเองวิชาก็คือความรู้แจ้งการรู้จักเข้าใจโลกและชีวิตหรือเข้าใจสภาวธรรมหรือจะเรียกว่าสังขารก็ได้ตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือจุดหมายของวิปัสสนาคือความรู้ตัวปัญญาที่รู้เข้าใจแจมแจ้งแล้ว พร้อมกับความรู้เข้าใจแจ่มแจ้งนั้นก็จะมีผลตามมาเรียกว่าวิมุตต์คือความหลุดพ้นความเป็นอิสระลอยตัวบริสุทธิ์จากกิเลสสงบปลอดโปรกเบิกบานด้ความรู้และความตื่นอันนี้คือส่วนที่เป็นผลเพราะฉะนั้นก็มาด้วยกันทั้งวิชาและก็วิมุตติทั้งปัญญาความรู้แจ่มแจ้งและก็ทั้งวิมุตต์ที่เป็นความอิสระความหลุดพ้นนั้น มาถึงวิชาลอย ม, มุดนั่นก็คือภาวะที่เรียกว่ามรรคและผลนั่นเองก็คือตอนนี้ก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลเข้าสู่ภาวะเป็นอริยชนเป็นโลกุตระก็เป็นการเข้าถึงสภาพชีวิตที่ดีงามที่ไร้ทุกข์แต่เรียกได้ว่าเป็นผลสําเร็จของการพัฒนาตนของมนุษย์หรือการพัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์เป็นสัมฤทธิผลแห่งศักยภาพในการที่จะมีอิสรภาพของมนุษย์ จึงเป็นอิสรภาพของชีวิตจิตใจที่ทําให้จิตใจนี้มีความเต็มอิ่มบริบูรณ์ในตัวเองเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็แปลงว่าเป็นการจบการปฏิบัติตามหลักอาณาปานาสติที่โยงเข้าหาสติปัฏฐานสที่ว่าอาณาปานาสติบําเพ็ญบริบูรณ์แล้วก็ทําสติปัฏฐานให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสบําเพ็ญอย่างนี้แล้วก็ทําให้โพธิชงเจ็ดบริบูรณ์ พอชองเจ็ดที่เจริญอย่างนี้เรี่มบริบูรณ์แล้วก็จะทำให้วิ ช, ชาวิมุติบริบูรณ์ก็ถึงจุดหมายที่เป็นวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ก็การบรรยายก็ควรจะยุติลงได้เพราะการบรรยายนี้ก็ได้ใช้เวลามามากมายและวก็หลายครั้งแล้วเพราะนั้นอาตมาได้บรรยายมานี้ก็เป็นส่วนที่เราถือว่าเป็น เรื่องของปริยัตเป็นพื้นฐานผูพื้นความเข้าใจไว้ในการปฏิบัติถ้าว่าเรามีความเข้าใจปริยัตแจ่มแจ้งดีก็จะช่วยเป็นแนวทางเป็นเข็มทิศหรือเป็นแผนที่เป็นความรู้ภูมิศัตว์ให้ในการที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างดีอาตมาก็ขออนุโมทนาท่านผู้เจริญภาวนาทุกท่านและขอตั้งกรรยาณจิต การธนาดีขอให้ทุกท่านได้เจริญงอกงามก้าวหน้าในการเจริญภาวนาไปสู่จุดหมายที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นความปลอดโปร่งลงเบาความสุขความเป็นอิสระเสรีภาพภาวะไร้ทุกข์ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งการได้รับผลนี้โดยทั่วกันทุกท่านขอเจริญพร